๕๑ปีตูฆ่าตะก่วัตถุว่าด้วยคนฆ่าบิดาขอบรรพชาห้ามคนฆ่าบิดาอุปสมบทข้อหนึสมัยนั้นมโนผู้หนึ่งได้ปลงชีวิตบิดาเขา อ, อึดอัดระอารังเกียจบาปกรรมนั้นต่อมาเขามีความดำริว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอเราจะพึงทําการสาัสางบาปกรรมได้คิดได้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระศักยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรม พระพุทธสงบพระพุทธพรมจันทร์กล่าววาจาสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเราจะพึงบรรพชาในพวกพระสมณะเชื้อสายพระสกยาบุตรด้วยอุบายอย่างนี้เราก็จะพึงทําการสาสางบาปกรรมดีได้จึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านพระอุบาลีท่านอุบาลีเมื่อก่อนนาคได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มขามาบารบรรพชาในหมู่ภิกษุ ขอนิมนต์ท่านสอบสวนมานพผู้นี้ดูเถิดครั้นมานพนั้นถูกท่านพระอุบาลีสอบสวนจึงบอกเรื่องนั้นให้ทราบท่านพระอุบาลีได้บอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบพวกภิกษุจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุประสมบันผู้ฆ่าบิดาไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วเพึงให้ศึกเสียวงเล็บหก